ย่อมค่าคนที่ค่อยๆเต็มดวงขึ้นทุกวันทุกวันชั้นใดการครบสัตบุรุษก็ชั้นนั้นย่อมเจริญขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไปดูหม่อมชั้นเถิดได้อาศัยพระองค์จึงได้ทำกุศลอันเป็นทางนำไปสู่สุขติข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนน้ำตกในที่ดอนย่อมไม่คงที่อยู่ได้นานชั้นใด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 พาสเยโชตเยธรรมังพึงยกธงของพวกฤาษีปักคันเหอิสินางทัชชังพวกฤาษีมีคำสุภาสิทิ์เป็นธงสุภาศิทธาชาอิสโยทำแรมเป็นธงของพวกฤาษีธรรมโมว้อิสินางทะโชพระราชาและเสนาบดีได้สดับธรรมมกถาของพระโพธิสัตว์เกิดปีติสมณัต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 พามหาชนออกไปต้อนรับพระราชาโพริาสาตชวนกันถวายบังคมให้ช่างกระบกแต่งพระเกศาและพระมัสสุให้สงสนานพระองค์ด้วยเครื่องสุขคนแต่งพระองค์ด้วยเครื่องพัตราพรตามัติยะราชประเพณีแล้วเชิญเสด็จขึ้นกองแก้วเป็นราชบัลลังก์แล้วเชิญเสด็จเข้าสู่พระนครพระเจ้าโพริสตรัต